ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐผู้มีปัญญาอันเฉียบแหลมที่รู้ว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์ก็เลยนำมาสอนมาบอกพวกเราถ้าพวกเราเชื่อฝังแล้วเราปฏิบัติตามเราก็จะได้รับความสุข เราก็จะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสงสั่งสอนพวกเราก็มักจะไปทำความทุกข์กันมากกว่าไปทำความสุขเพราะความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกมจักเป็นดอกบัวนั่นเองพวกเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับคนตาบอดคนตาบอด ซูงคนตาดีไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นคนตาดีพวกเราเป็นคนตาบอดถ้าเราทำอะไรด้วยตาของเราเราก็จะทำแบบผิดๆถูกๆสุขบ้างทุกบ้างถ้าเราทำแบบคนตาดีก็จะทำแต่สิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดเราก็ไม่ทำผลก็ลาผลก็คือเราก็จะได้รับแต่ความสุข ความทุกข์ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าสมสอนว่าตอนนี้พวกเรามีความสุขผ่านทางร่างกายเต็มที่แล้วถ้าเป็นน้ำก็เต็มตุ่แล้วจะเติมเข้าไปอีกมันก็ไหลล้นออกมาจะไม่ได้น้ำมากเพิ่มไปกว่าเดิมถ้าเราหาความสุขจากปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งหง่ม ยารักษาโรคที่อยู่ภาศัยตอนนี้เรามีการทุกคนแล้วจะมีแบบไหนก็ไม่สำคัญมีแล้วทำให้ร่างกายอยู่ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข mm hmm. ก็ถือว่าได้เต็ม mm hmm. เต็มรอยแล้วจะอยู่บ้านร้อยล้านหรือเช่าบ้านเขาอยู่ mm hmm. ก็ได้ความสุขเท่ากัน mm hmm. จะกินอาหารเมื่อละหมื่นหรือ ก, กินอาหารเมื่อละร้อย mm hmm. ก็อิ่มเหมือนกัน ได้ความสุขเหมือนกันจะใส่เสื้อผ้าชุดละแสนชุดละหมื่นหรือแสนชุดละร้อยสองยก็สามารถปกปิดร่างกายรักษาร่างกายให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยจากการพบกับอากาศหนาวเย็นได้ยารักษาโรคจะรักษา30บาททุกโรคหรือไปรักษา ราคาเป็นแสนตามโรงพยาบาลเอ ก, กชนก็รักษาให้หายได้เหมือนกันถ้ารักษาไม่ได้ก็ตายเหมือนกันตายด้วยสามสิบบาทหรือตายด้วยสามแสนก็ตายเหมือนกันพอโรคไฟยไข้เจ็บของพวกเรานี้ก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือเป็นแล้วก็หายเองรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้เช่นเป็นไข้หวัดอย่างนี้ แล้วเจ็บท้องปวดท้องเดี๋ยวมันก็หายเองได้โรคชนิดที่สองเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็จะไม่หายส่วนโรคที่สก็คือโรคที่รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่รอความตายเพียงอย่างเดียวนี่คือโรคสามชนิดที่พวกเราจะต้องเจอกันตอนแรกก็เจอแบง พวกที่รักที่เป็นแล้วหายเองต่อมาก็เจอโรคที่เป็นแล้วต้องรักษาต้องหาหมอหายามารับประทานแล้วถึงจะหายส่วนโรคที่สามนี้ก็ตอนตอนบ้านปลายของเราก็มักจะเจอโรคแบบนี้พอเป็นแล้วรักษาไม่หายมีแต่เจ๊งกระเจ้าเท่านั้นเองอย่างมากก็รักษาให้มันทรงอยู่ไปเหมือนคนที่ก็นอนอยู่บนเตียง แล้วก็มีสายโยงสายยาอสอดเข้าไปในร่างกายทรงให้ร่างกายทรงอยู่ได้แต่ไม่สามารถทำให้หายได้รอวันตายเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของร่างกายของเราเรื่องของความสุขทางร่างกายของเราถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วทำให้เราอยู่ได้อย่างไม่อัตคัดขัดสนไม่ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ถือว่าเราได้ความสุขทางร่างกายนี้เต็มที่แล้วอย่าไปหาให้มันมากกว่านี้ให้เสียเวลาเช่นะนตอนนี้เราเช่าบ้านเ็าอยู่เราอยากจะซื้อบ้านเองไปซื้อบ้านล้านสองล้านมาอยู่มันก็เป็นบ้านเหมือนกันหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆได้เหมือนกันนะนั้นมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าเราจะอยู่บ้านของเราเองหรือเช่าบ้านเขาอยู่บ้านจะราคาร้อยล้านสิบล้านหรือล้านเดียวมันก็เป็นบ้านเหมือนกันดังนั้นอย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขทางปัจจัยสี่ถ้าเรามีพอแล้วยุดร่างกายอยู่ได้แล้วถือว่าเราได้รับความสุขเต็มที่แล้วทางร่างกาย ถ้าเราอยากจะได้ความสุขเพิ่มมากกว่านี้เราต้องมาหาความสุขทางใจัน <c oughs> ความสุขทางใจที่พระเจ้าทรงสอนให้เราหาก็คือให้เราทาบุญทำทานแล้วเราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วเราถ้าเรารักษาศีลได้ก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีกแล้วถ้าเราภาวนาทาใจให้สงบได้ทําใจให้ฉลาด กำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้เราก็จะยิ่งมีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปจนกระทั่งเป็นความสุขบ น, นฟ้าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าบรลลังกมรรคที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้รับกันต้องมาทางนี้ถ้าอยากจะมีความสุขมากกว่าที่เรามีอยู่ในขณะนี้ อย่าไปทางความสุขที่เราไปใช้เงินทองซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อสิ่งต่างๆมาเสกเพราะความสุขแบบนี้เป็นความสุขปลองเป็นความสุขแบบยาเสพติดเสพแล้วก็จะติดแล้วเวลาที่ไม่ได้เสกก็จะทุกข์คือความสุขที่เราเอาเงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของแพงๆต่างๆ ซื้อของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายการหาความสุขเพิ่มเติม แ, แบบนี้เป็นการหาความทุกข์โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะมันจะตามมาตอนที่เราไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขแบบนี้ได้เช่นเวลาเราเงินหมดไม่มีเงินไปเที่ยว ไม่มีเงินซื้อของต่างๆที่เราอยากจะซื้อเราก็จะทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาที่ร่างกายของเราไม่มีความสามารถที่จะไปทำตามความอยากได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายแก่หรือร่างกายตายเราก็จะไม่สามารถหาความสุขต่างๆตามความอยากของเราได้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ความสุขแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้เราไปหากันหาความสุขทางปัจจัยสี่ได้หาอาหารหาเสื้อผ้าหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคถ้าขาดแคลนถ้ามีพอแล้วก็หยุดได้แล้วอย่าไปหาให้เสียเวลาเอาเงินทองที่จะไปหาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาทำบุญทำทานดีกว่า เพราะการใช้เงินทองไปกับ ก, บการทำบุญทำทานจะทำให้เราได้รับความสุขทางใจเพิ่มขึ้นมาจะมีความสุขมากขึ้นกว่าการที่เราเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกเิ่นกายเพราะมันเป็นความสุขเดียวๆ เ, เวลาไปเที่ยวก็สนุกสนานกันพอกลับมาจะกลับมาบ้านมันก็หายไปหมด เหลือแต่ความว้าเหวหรือแต่ความอยากจะออกไปเที่ยวใหม่แต่ถ้าเราเอาเงินไปทาบุญนี้เวลาเรากลับไปบ้านบุญยังความสุขยังติดไปกับเราทำให้เราอยู่บ้านอย่างมีความสุขไม่คิดที่อยากจะออกไปนอกบ้านนี่คือความสุขที่เราจะได้รับจากการทาบุญทำทานทำมากก็จะได้มากเพราะมันเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหาร รับประทานอาหารน้อยก็อิ่มน้อยรับประทานอาหารมากก็อิ่มมากดังนั้นเราควรที่จะทำบุญกันมากๆาแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นเอามาทำบุญกันส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บเอาไว้เงินที่เก็บเอาไว้ก็เป็นประโยชน์เผื่อวันเวลาที่เราขาดเงินทองซื้ออาหารซื้อยา เราก็จะได้ไม่เดือดร้อนอก็ต้องมีเก็บไว้สำรองไว้สำหรับปัจจัยสี่ในอนาคตถ้าเรามีเพียงพอแล้วมีมากเกินไปแล้วเราก็เอามาทำบุญกันถ้ามีไม่เพียงพอก็ไม่ต้องทำบุญทำอย่างอื่นแทนบุญนี้มีหลายแบบด้วยกันบุญที่เกิดจากการแบ่งปันด้วยข้าวของเงินทองอก็เป็นบุญบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือ รับใช้ผู้อื่นก็เป็นบุญเหมือนกันถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็ไปเป็นอาสาสมัครทําประโยชน์ให้แก่สังคมก็ได้ไปทํางานกับร่วมกตัญญูป้องกันตึงไปช่วยกันเก็บศพไปช่วยกันขนคนทีเ่เกิดอุบัติเหตุพาไปส่งตามโรงพยาบาลต่างๆหรือทํางานอย่างอื่นก็ได้อาสาสมัครช่วยโรงเรียนช่วยวัดช่วย สถานที่เป็นสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันทำแล้วก็จะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเพิ่มบุญขึ้นมาแล้วไม่มีโทษตามมาเพราะเวลาไม่ได้ทำจะไม่เดือดร้อนเวลาไม่ได้ทำทานจะไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับเวลาที่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวจะเดือดร้อน นี่คือความแตกต่างระหว่างความสุขที่แท้จริงกับความสุขปลอมความสุขปลอม น, นี่เวลาทาแล้วมีความสุขแต่เวลาไม่ได้ทำแล้วจะมีความทุกข์ส่วนความสุขแท้นี้เวลาทำมีความสุขแต่เวลาไม่ได้ทำจะไม่มีความทุกข์เช่นถ้าไม่มีเงินทำบุญไม่ได้ทำก็ไม่รู้สึกทุกข์ไม่เดือดร้อนถ้าไม่ว่าไม่มีเวลาไปช่วยเหลือคนอื่น ไปเป็นอาสาสมัครไม่ได้ทําก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่คือความสุขแท้ต้องเป็นความสุขที่เวลาทําแล้วมีความสุขเวลาไม่ได้ทําไม่มีความทุกข์ดังนั้นขอให้เราหลีกเลี่ยงความสุขที่ที่เวลาที่เราไม่ทําแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเวลาเรามีความสุขจากการไปเที่ยวจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ อันนี้เวลาไม่ได้เสพเวลานั่นจะหงุดหงิดเช่นคนที่เสพบุรี่เสพสุราเสพกาแฟอย่างนี้เวลาได้เสพก็มีความสุขแต่พอเวลาไม่ได้เสพขึ้นมาก็จะเกิดความไม่สบายใจหงุดหงิดลาคาญใจนะนี่คือความสุขปลอมอย่าไปเสพเพราะมันจะทำให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความลาคาญใจ เกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมาให้มาทำตามที่พระเจ้าทรงสอนดีกว่าทำบุญทาทานแล้วจะมีความสุขเวลาไม่มีเงินทำก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปช่วยเหลือผู้อื่นไปรับใช้สังคมเวลาได้ทำก็มีความสุขเวลาไม่ได้ทำก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนี่คือการสร้างความสุขเพิ่มเติมจากความสุขที่เรา ได้จากปัจจัยสี่เราต้องมาหาความสุขด้วยการทำบุญทำความดีกันข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ให้เรามาหาความสุขจากการไม่ทำบาปไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีกันไม่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาเพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้เราเกิดความไม่สบายใจขึ้นมานั่นเองถ้าเราไม่ได้ทา ก็จะทำให้เรามีความสบายใจเพิ่มมากขึ้นนี่คือความสุขระดับที่สองที่เราจะได้จากการไม่ทำบาปแล้วระดับที่สก็คือการมาทำใจให้สงบการมาฝึกนั่งสมาธิจเจริญสติด้วยการบาิีกรรมพุทโธพุทโธก่อนจะมานั่งนี่เราต้องจเจริญสติก่อนเพราะถ้าเราไม่มีสติเวลานั่งใจมันจะไม่สงบ ใจมันจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นั่งไม่ได้ไม่นานก็ทนไม่ไหวเราต้องพยายามลดความคิดลงให้น้อยลงไปก่อนถ้าเป็นรถยนต์ก็ชะลอความเร็วให้มันช้าลงก่อนถึงจะจอดง่ายถ้าเวลามันวิ่งเร็วๆเหยียบเบรกให้มันจอดทันทีมันไม่ยอมจอดเราต้องมาชะลอความเร็วของใจเรา ความเร็วของใจเราก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆพอคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความโลภเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาหรือเกิดความโกรธขึ้นมาก็จะทำให้ใจวุ่นวายแทนที่จะเย็นจะสบายถ้าใจเป็นแบบนี้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งแล้วมันจะไม่ยอมหยุดมันจะฟุง้งมันจะคิดถึงเรื่องต่างๆ ถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธ ถ, ถึงเรื่องที่ทำให้เราเสียใจถึงเรื่องที่ทำให้เราอยากเราต้องหยุดมันก่อนชะลอมันก่อนด้วยการเจริญสติไปทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธพุโทโธไปพุโทโธนี้เป็นตัวจะชะลอความคิดปรุงแต่งต่างๆได้เพราะถ้าเราอยู่กับพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นั่นเองเพราะการใช้ความคิดนี้ ใช้ได้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แต่ทีละเรื่องจะคิดถึงสิบเรื่องพร้อมๆกันคิดไม่ได้ต้องคิดได้แต่ทีละเรื่องดังนั้นถ้าเราให้มันคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปมันก็จะไปคิดถึงเงินทองไม่ได้คิดถึงคนนั่นคนนี้ไม่ได้คิดถึงขนมนมเนยไม่ได้มันก็จะไม่มีความอยากต่างๆเกิดขึ้นมามันก็จะว่างจะเย็นใจอิ่มจะสบาย แล้วพอเวลามานั่งสมาธิมันก็จะสงบง่ายเพราะมันไม่ไปคิดอะไรให้มันพุโทโธพุโทโธมันก็จะพุโทโธไปแล้วถ้านั่งนิ่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็สงบถ้าดูลงหายใจดูมันก็จะดูลงหายใจอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมันก็เข้าสู่ความสงบได้ก่อนจะนั่งได้ต้อง ต้องชะลอความคิดหรือลดความคิดให้น้อยลงไปให้คิดให้น้อยที่สุดคิดเท่าที่จำเป็นแล้วรับรองได้ว่าเวลามานั่งสมาธิใจจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแล้ ว, ลวพอใจสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขเต็มร้อยความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขที่เกิดจากความสงบในเอง นี่คือการเติมความสุขที่ได้เต็มร้อยต้องเติมด้วยการมานั่งสมาธิต้องเติมด้วยการเจริญสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดต่างๆไม่ปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยคิดแล้วมันฟุง้งซ่าคิดแล้วมันหิวโหวยคิดแล้วมันวิตกกังวลเบื่อหน่ายวุ่นวายใจต่างๆเกิดจากความคิดของเราทั้งนั้นถ้าหยุดความคิดแล้ว ความทุกข์ต่างๆมันจะหายไปแล้วความสุขมันจะโผล่ขึ้นมาดังนั้นขอให้เรามาเติมความสุขแบบนี้กันดีกว่าเติมความสุขด้วยการทำบุญทาทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิทาใจให้สงบ พ, พอเราได้ความสงบจากการนั่งสมาธิแล้วเราก็ต้องรักษามัน ถ้าเราไม่รักษามันมันก็หายได้เวลาเราออกจากสมาธิมาสิ่งที่จะมาทาลายความสงบของเราก็คือความอยากความโลภต่างๆพอเราโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะไปดื่มอยากจะไปรับทานอะไรเราต้องใช้ปัญญามาสอนใจมาตัดว่าการหาความสุขแบบนี้เป็นการหาความทุกข์ เพราะเวลาได้ทําก็เป็นความสุขแต่เวลาอยากแล้วไม่ได้ทําก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเช่นคนติดยาเสพติดเวลาได้เสพยาเสพติดก็มีความสุขแต่พอเวลาไม่ได้เสพนี้จะทุกข์ทรมานใจมากทนไม่ไหวจนจนถึงกับต้องไปไปลักทรัพย์เพื่อที่จะได้มีเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ จะต้องไปทำบาปต่างๆการกระทำตามความอยากนี้มันจะพาเราไปสู่ความทุกข์แล้วมันจะพาเราไปสู่การแก้ความทุกข์ด้วยการไปทำบาปต่างๆเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราอยากกระทำมาแล้วแทนที่จะเป็นความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเวลาไปทำบาปใจก็วุ่นวายมากขึ้นเวลาถูกจับไปลงโทษก็มีแต่ความทุกข์ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นวิธีการหาความสุขด้วยการกระทำตามความอยากนี้เป็นการหาความทุกข์โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่คิดยาวเราคิดแค่สั้นๆอยากจะดื่มกาแฟก็ดื่มกันอยากจะสูบบุหรี่ก็สูบกันอยากจะดื่มสุลาก็ดื่มกันแต่ไม่คิดถึงเวลาที่ไม่สามารถที่จะสูบได้ดื่มได้หรือดื่ม ใจก็จะทุกข์จะเครียดขึ้นมาทันทีเราต้องมองการไกลต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ทดสอบมาทุกอย่างแล้วรู้ว่าอันไหนเป็นความสุขปลอมรู้ไหนว่าเป็นความสุขแท้ความสุขปลอมก็คือการทำตามความอยากต่างๆความสุขแท้ก็คือการไม่ทำตามความอยากต่างๆความสุขแท้ก็คือการทาใจให้สงบ ด้วยการใช้สติควบคุมความคิดควบคุมความอยากแล้วใจสงบก็จะมีความสุขขึ้นมาเวลามีความสุขก็จะไม่มีความอยากได้อะไรดังนั้นเวลาที่ความอยากยังมีอยู่ก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขความสุขที่ได้มาเป็นความสุขปลอม ได้มาเดี๋ยวเดียวแล้วก็หมดไปแล้วเวลาอยากได้ใหม่ไม่ไม่สามารถหามาได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือวิธีการรักษาความสุขที่เราได้จากการนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจอย่าไปทำตามความอยากถ้าจะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลเช่นอยากจะรับประทานอาหาร ก็ต้องดูว่าถึงเวลาหรือยังตามที่เรากำหนดไวหรือไม่เช่นเหมือนกับการรับประทานยาเวลาเรารับประทานยานี้เราไม่ได้รับประทานด้วยความอยากเรารับประทานด้วยเหตุผลเกิดรับประทานเพื่อไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่รับประทานถ้ารับประทานผิดเวลาก็อาจจะทำให้เป็นผลร้ายขึ้นมาแทนก็ได้ เราจึงต้องรับประทานให้ตรงกับเวลาที่หมอสั่งการรับประทานอาหารการดื่มน้ำก็เหมือนกันต้องรับประทานตามเวลาที่ร่างกายต้องการพอร่างกายต้องการได้รับสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็อย่ายไปให้เพราะให้มากเกินไปก็จะเป็นโทษกับร่างกายจะทำให้ร่างกายน้ำหนักเกินแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้ ถ้าเรารับถ้าเรารับประทานอาหารเหมือนกับรับประทานยาดื่มน้ําเหมือนกับการดื่มยารับรองได้ว่าร่างกายของเราจะแข็งแรงร่างกายของเราจะมีอายุยืนยาวนานเพราะมีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนั่นเองนี่คือการใช้ปัญญาอย่าไปใช้ตามความอยากถ้าไม่ใช่ถึงเวลาถ้าไม่มีความจําเป็นอย่าไปทําอย่าไปกินอย่าไปดื่ม เราให้ถึงเวลาก่อนแล้วรับรองได้ว่าเราจะทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต่อไปจะไม่มีความอยากมาคอยรบกวนใจมาสร้างความหงุดหงิดสร้างความลำคาญใจให้แก่เราเราจะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นอะไรไปความสงบความสุขนี้จะไม่หายไป จะไม่มีรู้จะทําให้เราไม่รู้สึกว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเลอะแก่หรือตายเลยเพราะความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ทางร่างกายสามารถาทําให้ความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่มีผลต่อจิตใจเลยนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะทํากันถ้าเรามีปัจจัยสี่พอแล้ว เราควรจะมาหามาเพิ่มความสุขทางใจด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับความทุกข์ต่างๆก็จะน้อยลงไปตามลำดับจนหมดไปในที่สุดเราจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเลยจะมีแต่ความสุขตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามใครจะตายจากเราไปใครจะด่าเราใครจะทำร้ายเราจะไม่ทำให้เราทุกข์ใจเลยใจของเราจะสุขไปตลอดเวลานี่คือเรื่องของการมาเพิ่มความสุขให้มีเพิ่มมากขึ้นแก่ชีวิตของเราต้องมาเพิ่มด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาอย่าไปเพิ่มด้วยการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะมันเป็นการหาความทุกข์มากกว่าหาความสุขก็ขอให้พวกเราจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะเพิ่มมากขึ้นไปและความทุกข์ที่จะลดน้อยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไป